กับวิชาพระตัตน์ไตรกับนมัสการพระคุณเจ้าทั้งหลายแะหลวงพ่อปรมโมดสวัสดีครับพี่น้องและก็สาธมิตรทั้งหลายพระพุทโ์ได้ทรงตรัสไว้ในธรรมบทข้อที่สาร้เจ็ดสบหว่าปามโมดชะพะหุโลภิกขุ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 ได้แก่ 1. ราโมทความชื่นบานใจราเริงสดใสหรือ joy 2. ปิติความิ่มใจความปลื้มใจหรือ bliss ปสปัสสติความสงบเย็นกายใจความผ่อนคลายรื่นสบายหรือ being relaxed สสุขความรื่นใจไร้ความขัขดข้องหรือ happiness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 และสำเร็จผลได้ชัดเจนอันนี้เป็นความประโมทในรักษาะของธรรมาที่สถานที่พระศาสดาได้ทรงแสดงไว้ในพระสูตรซึ่งสรุปได้ในทางปฏิบัติว่าเมื่อจิตจดจาสภาวะธรรมอยู่หนึ่งเช่นจิตจดจำสภาวะธรรมที่ตั้งอยู่ในความประโมทชื่นบานใจได้อยู่หนึ่ ง, งจิตย่อมสเสถียรหรือทีรสัญญาย่อมเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติ เมื่อจิตมีสติอยู่หนึ่งๆย่อมเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสุขเมื่อจิตมีสุขอยู่หนึ่งๆย่อมเป็นเหตุใต้ให้เกิดสมาธิเมื่อจิตมีสมาธิอยู่หนึ่งๆย่อมเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาซึ่งพระ ส, สัจจะสัจัะว่าบุคคลย่อมถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาวันนี้นับเป็นโอกาสอนุดมด้วยมหามงคลสมัยที่ความประโคมได้มาประโยชน์ปรากฏอยู่ณสถานที่นี้ในรูปลักษณ์แห่ง บุคลาธิสถานการคุยหลวงพ่อประโมทได้เมตตารับนิมนต์มาสอนเก่นพุทธธรรมและนำธรรมวิปัสและมาสอนอบรมวิปัสสนากรรมฐานในประเทศสหรัฐอย่างความประโมทปาปื้มกิติยินดีแก่พุทธศาสนิกชนและเหล่าสาธุรสิทธเพื่อเพียรเจริญจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในสติสมาธิปัญญา เพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์ให้แจ้งสืบไปขอเฉลนตอนทุกๆ ท, ท่านไปมาจากที่ไกลๆวะ mm hmm. มาจากไหนกัน <c oughs> ชิคาก้ชิคาก้ก็ที่มณลหลวงพ่อเหมือนกันนะ แต่เส้นหลุยนิมนต์ก่อน <c oughs> คุณหมอองสากไปนิมนต์หงพ่อที่รตอยก็บไม่ได้คิดจะมาไกลถึงอเมริกาหรอกเทศอยู่ในประเทศไทยก็เทศไม่ไหวแล้วคุณหมอองศาไปนิมนต์รับนิมนต์รับอื่นเลยเข้ามาจอยด้วยจริงต้องมาเทศที่นี่ก่อนเลย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 ที่ลึกที่ลั่นอะไรที่ยากเกินความมนุษย์ธรรมดาจะทำ mm hmm. คำสอนของพระพุทธเจ้านี่ mm hmm. เป็นคำสอนที่พอดีพอดีสำหรับมนุษย์ขนาดปานกลาง mm hmm. ไม่ต้องดีเลิศแต่เลวเลิศเลยก็ไม่ได้เหมือนกันคนธรรมดาธรรมดานี mm ้เพราะธรรมะมเป็นเรื่องธรรมดามากเลยธรรมดาาจนยากเพราะว่าเรามองข้าม เราไม่รู้หรอกว่าความสุขอันมหาศาลเนี่ยเราจะได้มาอย่างไงเราไม่รู้เลยว่าเราจะพดจากความทุขได้อย่างไงมันง่ายมากเลยคนทั้งหลายก็วิ่งหาความสุขวิ่งหนีความทุกข์วิ่งออกไปข้างนอกวิ่งไปหาอารมณ์ที่ชอบอกชับใจหนีอารมณ์ที่ไม่ชอบอกชับใจแท้จริงแล้วการแสวงหาความสุขอันแท้จริงลึกซึ้งประณีตที่สุดเนี่ย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 จิตก็มีความรู้สึกสุขมีความรู้สึกเป็นอุเบกขาไม่มีความรู้สึกทุกข์แต่ความรู้สึกสุขความรู้สึกอุเบกขานะก็เข้ามาไม่ถึงจิตอีกมันพลากออกจากจิตไปอีกจิตมันเป็นอิสระต่อความรู้สึกสุขหรือความรู้สึกกลางกลางความจำได้ความหมายรู้ความปรุงดีทั้งหลายมันเข้ามาไม่ถึงจิตหมดเลยไม่มีความปรุงชั่วหรือแต่ความปรุงดี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 เาราตอนที่มันเป็นขึ้นมาแล้วเนะี่ยถ้ามีความสุขอยู่ตั้งปีกว่าๆหลังจากนั้นเกศจีก็ค่อยไปอุเบกขาอยู่มสบายร่มเย็นอยู่สุขแทบตายสุขแทบตายพวกเราเคยได้ยินไหม <c oughs> ในตำรายชอบพูดกันนะบอกคารวาดบรรลุพระรหันหต้องตายเลยถ้าไม่ได้บวชเคยได้ยินไหม เคยได้ยินชื่อพระนักขเสนกับพญามิรินไหม <Yeah. S 1> พญายมิรินมิรันเดอร์เป็นกรีกเป็นคนกรีกเป็นนักปรัชญาเียงเก่ ง, กงไปถามท่ยานนขเสณพญามิรินไปถามพาระนักขเสนว่าจริงหรือที่ว่าบรรลุพระอราหันต์แล้วไม่ได้บวชในวันนั้นจะตายเลยพระนคกเสณบอกว่าจริง พญามิรินได้โอกาสรีบโจมตีเลยบอกถ้างั้นอรหัตตมรักษ์ก็คือฆาตกรแท้ๆเลยทำให้คนตายพาาระนักเสศนบอกไม่ใช่นะอรหัตตมรักษ์นั้นวิเศษมากจนธาตุขันของมนุษย์นะั้ไม่พอที่จะรองรับธาตุขันของครวญร้องรับไม่ไหวรองรับความสุขขนาดนั้นไม่ไหว ทนไม่ได้ตายเลยคิดดูนะความสุขเราเคยได้ยินทุกข์จนตายใช่ไหมความสุขแทบตายก็มีนะแต่ว่าต้องภาวนาวพระเจ้าถึงสอนเราความสุขอะไรๆก็ไม่เท่าพานิพนะานนิพานังประมังสุขขังนี่นิพานมีจริงๆนิพานไม่ใช่อุดมคตินิพานไม่ใช่นิยายหลอกเด็กถ้าพระเจ้าพูดกับว่ า, วานิพานแล้วก็ไม่บอกวิธี ที่จะเข้าไปสู่พระนิพพานสัมผัสพระนิพพานะก็ยังว่าท่านหลอกได้นะแต่นี้ท่านบอกวิธีที่เราจะพัฒนาตัวเองจนเข้าถึงพระนิพพานได้แล้วพวกเรามีหน้าที่มาเรียนรู้นะว่าทํำยังไงจิตใจของเราจะพัฒนาจนเข้าไปสัมผัสพระนิพพานได้ไม่ใช่เรื่องยากเกินไปนะเรื่องที่ถ้าเรียนแล้วก็ลงมือปฏิบัติให้สมควรเกียรติทำเราก็จะมีโอกาสสัมผัสพระนิพพานเป็นลําดับลําดับไป สัมผัสครั้งแรกเป็นพระโสดาบันครั้งที่สองเป็นพระสัททะขาครั้งที่สาเป็นพระนาคาครั้งที่สี่เรียกพระลราหารันพระละหันจะได้เปรียบไร้ยะอื่นๆอยู่ตรงที่ท่านแค่มานสิ ก, การแค่ระรึกถึงนะพะ น, นิพพานนิพพานก็ปรากฏต่ตอหน้าแล้วไม่หายไปไหนงั้นวันนี้เราจะมาคุยกันถึงวิธีปฏิบัติเพื่อ ย, ยกระดับจิตใจนะให้สามารถเห็นนิพพานได้ เอาไปเรื่องนี้จะได้มีความสุขเนาะอย่างจมแต่ความสุกขเรื่อยๆไปเครียดไปเรื่อยนะอยู่ทางนี้บางคนก็ฐานะดีนะมีความสุขก็สุขชั่วคราวแหละะสุขชั่วครั้งชั่วคราวเดี๋ยวก็แก่เดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวก็พลาด พ, า ด, พาดกับคนที่รักเดี๋ยวก็เจอสิ่งที่ไม่รักอยากแล้วก็ไม่สมอยากอะไรเงี้ยนกะ็มีความทุกข์บีบคั้นอยู่เรื่อยๆงี่นเรามาหาชีวิตที่ดี ที่สะอาดที่บริสุทธิ์หมดจดนะที่มีความสุขมากๆดีกว่าชีวิตทางโลกเราก็ทํามาหากินไปตามหน้าที่ทํางานเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวนะทํางานช่วยเหลือสังคมอนะไรสิ่งเหล่านี้เป็นการทําเพื่อจะอยู่กับปัจจุบันเนี้ยส่วนการยกระดับจิตใจเนี่ยเป็นงานที่แท้จริงของเราในสังสารวัตรนีนะ้เป็นงานจริงๆ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 ตัวเองได้นะมันมีสิ่งที่ต้องพัฒนาอยู่สองอันนะการฝึกจิตนะมี2เรื่องเรื่องที่ 1. การฝึกจิตให้สงบให้มีพลังเรียกว่าสมถากรรมฐานเรื่องที่สองการฝึกจิตให้ฉลาดมีปัญญาเห็นความจริงของกายของใจพอนะหมดพอรู้ความจริงของกายของใจได้แล้วมันจะหมดความยึดถือในใกายในใจแล้วสัมผัสปานิพันธ์ได้ นั้นจะบรรลุพันธิพาณได้ก็ต้องเจริญปัญญาเนี่ยมันมีงานสองงานทางใจคืองานของสมถะกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐานส่วนใหญ่ที่ฝึกผลกันนั้นเป็นเรื่องแค่สมถะกรรมฐานเกือบร้อยร้อยของนักปฏิบัติติดอยู่แค่นี้เองไม่ขึ้นวิปัสสนาหรอกไปนั่งสมาธิกันเยอะแยะเลยเรียน m e d i t a t i o นะนั่งสมาธินั่งให้สงบไปเดินจงกลมไปทาอะไรต่ออะไรมุ่งไปที่ความสงบ มีวิธีการที่จะฝึกจิตฝึกใจให้สงบตั้งมากมายไก่กองเปิดสำนักสอนเปิดคอสเปิดอะไรนี่เยอะแยะไปหมดนะหาเงินได้เยอะแยะเลยกับวิธีที่จะให้คนฝึกจิตใจให้สงบชั่วครั้งชั่วคราวแค่นั้นเราไม่ต้องไปเข้าคอสที่ไหนหรอกหลวงพ่อบอกวิธีให้บอกเคล็ดลับให้ง่ายจะตายไปสมาธิแม่้อไปเสียเงินเสียทองที่ไหนหรอก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 อยากได้เสียงเพราะเสียงดีเสียงชมก็คิดว่าถ้าได้สิ่งเหล่านี้มาแล้วจะมีความสุขเราวิ่งไปดูหาของสวยของงามดูคิดว่าจะดูให้เห็นทุกข์เหรืองจริงดูก็เพื่อจะหาความสุขเท่านั้นเองวิ่งไปฟังนะฟังคอนเสิร์ตฟังอะไรก็วิ่งไปหาความสุขนั่นเองจิตมันไม่มีความสุขในตัวมันเองมัาต้องเที่ยววิ่งไปหาความสุขที่อื่น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 งั้นถ้าเรารู้หลักตัวนี้แล้วมันไม่มยากอะไรที่จะทําความสงบขึ้นมาจิตเที่ยวหาความสุขถึงได้วิ่งพล่านฟุ้งซ่านไปทา้งตะวันทั้งหเร า, าหาอารมณ์ที่มีความสุขมาให้จิตซะเลยสิมันจะได้ไม่ต้องวิ่งไปหาที่อื่นเหมือนเด็กนะมันวิ่งไปสนนอกบ้านไม่ยอมกลับบ้านเราหาขนมอร่อยๆมาให้เด็กนะให้มันมานั่งกินขนมอยู่ในบ้านไม่หนีไปสนที่อื่นใช้หลักอันนี้เองง่ายๆนะหลักของสมถะกรรมฐาน คือหารมที่มีความสุขมาเป็นเหยื่อล่อจิตไม่ให้จิตหนีไปเที่ยวหาความสุขที่อื่นอย่างบางคนทำอาหารอร่อยนะสามีชอบกินอาหารทำอาหารอร่อยสามีไม่ไปไหนเลยคนโบราณบอกสเสนปลายจวักรู้จักจหวักไหมคนรุ่นนี้ใครยังรู้จักจหวักว่ามีไหมย่อมมือสิใครเคยเห็นส่วนใหญ่ไม่ก็เห็นแล้วนะเด็กๆไม่รู้จักจัวักแล้ว หาอารมณ์ที่ชอบใจมาให้จิตอยู่แล้วมาสํารวจตัวเองดูในตําราเนี่ยพูดถึงสมถะกรรมฐานสี่สิบอย่างแต่จริงสี่สิบอย่างนี่นเป็นแค่ตัวอย่างยังมีอย่างอื่นพิเศษเยอะแยะเลยสมถะกรรมฐานเนี่ยจริงๆเป็นเรื่องง่ายอารมณ์ที่ใช้ทําสมถะกรรมฐานนะกว้างขวางที่สุดเลย ใช้อารมณ์อารมณ์คำว่าอารมณ์เนี่ยหมายถึงสิ่งที่จิตจะไปเสพจิตสิ่งที่จิตจะไปรู้อารมณ์เนี่ยมีทั้งหมดสามแบบอารมณ์ที่หนึ่งเนี่ยคืออารมณ์เรื่องราวที่เราคิดนึกขึ้นมาเรียกว่าอารมณ์บัตญัติอารมณ์ที่สองเนี่ยคืออารมณ์ที่เป็นปรามัดนันเป็นของจริงคือรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายอารมณ์ที่สามเป็นอารมณ์นิพพานพวกเรายังไม่เห็นหรอก นิพานมีอยู่แต่พวกเราไม่เห็นเพราะฉะั้นตัดอารมณ์นิพานออกไปการทําสมถะสําหรับพวกเราเใช้อารมณ์บัญญัติกับอารมณ์รูปนามได้2 อ, อย่างนั่นเรามาสํารวจตัวเองใช้อารมณ์อะไรแล้วจิตใจมีความสุขเราก็ใช้อารมณ์ันนั้นแต่มีเงื่อนไขว่าต้องเป็นอารมณ์ที่ไม่ยักก่วกิเลสอย่างถ้าเล่นไพ่แล้วมีความสุขนะถามว่าเล่นไพ่แล้วมีสมาธิไหมขนาดเล่นไพ่ มีความสุขเห็นไหมมีความสุขเล่นไพ่ไปตำรวจมาไม่รู้เลย <laughs> ไม่รู้เลยตำรวจมาสั ก, กิดแนะล้วล้ำคานเลยจะจ่วอยู่แล้ว <laughs> <laughs> คือถ้าจิตมันมีความสุขอยู่ในอารมณ์ใดนะมันจะสงบอยู่ในอารมณ์นั้นเมื่อเราเคยอ่านหนังสือที่ชอบอกชอบใจไหมเวลาอ่านหนังสือเวลาอ่านหนังสือเล่มที่เราชอบนะอ่านได้ทั้งวันอ่านได้ทั้งคืนเลยนะ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 เพราะจิตมันฟุ้งซ่านมันยั่วกิเลสง่ายอ่านไปถึงตอนนี้แหมามันตื่นเต้นใจก็ตื่นเต้นไปด้วยแล้วมีความสุขจริงนะสงบอยู่ในอารมณ์เดียวจริงนะแต่มันมีอาภูสนเจือเดี๋ยวก็ตื่นเต้นเดี๋ยวก็รกักเดี๋ยวก็โกรธใจแฝงขึ้นแฝงลงอย่างเล่นไพ่มีความสุขจริงมีสมาธิจริงเดี๋ยวก็มีกิเลสละดีใจเดี๋ยวก็เสียใจจิตมันแฝงแปลกแปลกไปเพราะนั้นเราต้องเลือกอารมณ์ที่มีความสุขนะข้อหนึ่ง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 อารมณ์นั้นต้องเป็นอารมณ์ที่เราชอบจิตมันชอบอยู่ด้วยแล้วมีความสุขจิตจะได้ไม่หนีไปที่อื่นข้อสองอารมณ์นั้นต้องไม่ยั่วกิเลสไม่งั้นเดี๋ยวจิตก็จะกระเพื่อมเพราะกิเลสหลังอีกงั้นเราถ้าจะฝึกสมถะนง่ายมากเลยอย่างหลวงพ่อตันเด็กๆเกนี่ฝึกอานาปนาสติตั้งแต่เจ็ดขวบหายใจออกหายใจเข้าตอนเด็กๆมีบริกรรมด้วยหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรอนะไรเนี้ยหายใจไปยังมีความสุขนะ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 แต่ถ้าเราให้จิตน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขนะจิตจะสงบเองนี่ก็เป็นเคล็ดลับนะการทําสมถนะเราต้องทําอย่างมีความสุขมีความสบายใจถ้าทําแบบเครียดเครียดไม่ได้ผลหรอกนะถ้าเราหายใจด้วยความรู้สึกที่สบายปลอดโปร่งนะแปบ๊บเดียวก็สงบแนละ้วเคล็ดลับมันมีเท่านี้แหละนะที่เหลือไปฝึกเอาเองนะไม่เสียตังหรอกนะไม่ต้องไปเข้าคอร์สฝึกเมดิเทชันเสียตังเยอะแยะเลยนะ ของหมูหมูนะง่ายๆลองดูหายใจหายใจเป็นธรรมชาตินะอย่าไปหายใจแบบอย่างนี้อยอ e วอร์แอคนหายใจเข้าไปอึดอักนะเกินไปหายใจสบายเราก็หายใจอยู่แล้วเนี่ยแค่รู้สึกหายใจไปแล้วจิตมันหนีไปคิดเรารู้หายใจไปจิตห น, นีไปคิดเรารู้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 แล้วทำไงเราจะมาเจริญวิปัสสนาได้นี่เรื่องของสมถานะสมถาว้พักผ่อนเวลาจิตใจเราเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้าจากการทำงานเราก็ทำสมถะให้ได้พักผ่อนบ้างใจเราทำงานหนักทั้งวันคิดหนักทั้งวันฟุ้งซ่านทั้งวันทำสมถะได้จิตใจได้พักผ่อนมันมีวิธีทำสมถะที่ง่ายๆนะแบบในพริบตาเดียวเอาไหมโอเวลาที่เราทางานมากๆเครียดมากๆนะ เราไม่รู้จะทำไงนะใจเราเกือหมดเรี่ยวหมดแรงแล้วพุ้งซ่านมากแล้วเราหายใจลึกๆนะหายใจให้ยาวๆลึกๆไปแต่ไม่ต้องอัดเข้าไปจนอปอดปลีนะ <c oughs> <c oughs> หายใจพอดีพอดีแหละนะลึกหน่อยหายใจเข้าไปลึกๆนะแล้วกลั้นใจไว้หลับตานะกลั้นลมหายใจไว้ตอนที่กลั้นลมหายใจใหม่ๆนะสังเกตดูที่ใจใจมันจะนิ่งๆ จะสงบได้ชั่วขณะนี่เป็นเคล็ดลับนะเมื่อก่อนหลวงพ่อเป็นโยมเป็นคารวะเนี่ย น, นั่งประชุมนะบางทีเหนื่อยหน่ยความเหนื่อยนะหายใจแล้วก็กลั้นลมไว้นิดหนึ่งนะตรงที่เรากลั้นลมไวน้นี่ใจมันจะหยุดคิดชั่วคราวแต่พอหยุดคิดชั่วคราวตัวนี้เราก็ได้พักละวไม่ต้องทํานานนะทํากลั้นใจนานเดี๋ยวทรมานจิตแต่งอีกสมาธิแตง่ง อันนี้นิดหน่อ ย, อยแค่นี้ก็ได้ความสงบนะเอาแรงไปทำงานได้อีกชั่วโมงหนึ่งงั้นะมไม่ใช่ยากนะสมสถะทำไปแล้วจิตใจสงบมีความสุขคราวนี้เราจะขึ้นวิปัสสนาจะมาฝึกจิตให้เกิดปัญญานะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องใหญ่สมสถานี่มีมาก่อนพระพุทธเจ้านะแต่พระพุทธเจ้าก็เห็นว่ามีประโยชน์ถ้าทาแล้วจิตใจมีความสุขมีความสงบนะก็เป็นประโยชน์ ท่านก็ยอมรับว่าเอามาใช้ได้แต่ว่าถ้าแค่สมถะล้วก็ได้ความสุขได้ความสงบชั่วครั้งชั่วคราวนะไม่นานความสุขความสงบก็หายไปความดีก็ไม่ค่อยมีกลายเป็นอารมณ์ร้ายซะอีกเรามาพัฒนาการพัฒนาจิตในขั้นอีกขั้นหนึ่งเรียกขั้นทำวิปัสสนากรรมฐานการทําวิปัสสนากรรมฐานนี่คือการเรียนรู้ความจริง ของกายของใจอย่าไปวาดภาพาวิปัสนาเป็นเรื่องที่ลึกที่ลึกนะยากเย็นแสนเข็ญไม่ใช่อะไรเลยวิปัสนากรรมฐานนี่เป็นแค่เรื่องการเรียนรู้ความจริงของกายของใจตัวเองเท่านะั้นเองความจริงของกายของใจก็คือมันไม่เที่ยงนะมันเป็นทุกข์มันถูกบีบคั้นตลอดเวลามันเป็นอนัตตากายนี้ไม่อยู่ในอำนาจของเราจริงจิตใจไม่อยู่ในอำนาจของเราจริง เรียนเพื่อให้จิตยอมรับความจริงว่ากายนี้ใจนี้เป็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงนะเป็นทุกข์แล้วก็บังคับไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจอย่างร่างกายเราไม่เที่ยงเนะมื่อก่อนเด็กตอนนี้ไม่เด็กอนะไรเนี้ยเมื่อก่อนแข็งแรงตอนนี้ไม่แข็งแรงอนะไรเนี้ยมันไม่เที่ยงนะมันเป็นทุกข์มันมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาแต่คนไม่มีปัญญามองไม่เห็นอย่างเรานั่งอยู่นี่รู้สึกไหมเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็เมื่อยเดี๋ยวก็คัน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 หายใจออกไปเรื่อยๆสิทุกข์รูอสึกละ่ะทุกข์อีกแล้วหายใจออกไปเรื่อยไม่ได้หายใจเข้านะก็ทุกข์อีกแล้วนะดัน้นแค่หายใจนี่นะก็หายใจเพื่อหนีทุกข์นะเราไม่เคยรู้สึกทําไมเราต้องเปลี่ยนอิริยาบถทําไมต้องเปลี่ยนอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนเปลี่ยนไปเรื่อยก็เพื่อหนีทุกข์นะดันั้นความทุกข์นี่ยมันบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาะแต่การเปลี่ยนอิริยาบถเปลี่ยนอะไรต่ออะไรไปเนี่ย มันทำให้เรากลบความทุกข์ไปเรามองไม่เห็นนะเนี่ยถ้าเราดูเป็นเจะเห็นมันทุกข์ร่างกายเป็นอนัตตาเป็นยงไงร่างกายเป็นวัตถนะุวัตถุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลา ห, หายใจเข้าหายใจออกนะเราบังคับไม่ได้เราสั่งไม่ได้จริงนะสั่งไม่ให้แก่ก็ไม่ได้สั่งไม่ให้เจ็บสั่งไม่ให้ตายทำไม่ได้ทั้งสิ้นเลยบังนะคับมันไม่ได้สักอย่างสั่งให้หนุ่มตลอด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 มาไก่นะรู้เหรอแอบไปฟังซีดีมาก่อนเนีจิตใจที่มีความโกรธนะก็โกรธชัว่วคราวจิตใจที่โลภมันก็โลภชัว่วคราวนะจิตใจที่หลงมันก็หลงชัว่วคราวเป็นคราว์คลาล์หมดเลยจิตใจที่สุข ก, ก็สุขชัว่วคราวจิตใจที่ทุกข์ก็ทุกข์ชั่วคราวแล้วมันไม่เที่ยงแล้วจิตใจมันเป็นทุกข์ยังไงอีกจิตใจมันถูกบีบคั้นตลอด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 มาแล้วตัวให้หลวงพ่อหนีกลับไปก่อนหรือยังหนี่ยเนาะมาโทรมาถามหลวงตาว่าหลวงพ่อมาแน่ไม่แน่อะไรเงี้นะอยากมาฟังแค่อยากฟังธรรมนะก็ลุ่มใจได้นะอยากกินอยากนอนนะอยากดูอยากได้ยินเสียงอยากได้กลิน่นใจเรามีความอยากนานาชนิดเนี่ยหมุนอยู่ตลอดเวลาเลยทั้งวันทั้งคืน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 เช่นไปเห็นคนที่เราเกลียดมันเดินมาหาเราแล้ไอ้คนที่เราเกลียดเนี่ยเห็อารมณ์ที่ไม่ชอบอันที่สองเรามีอนุสัยมันมีความเคยชินที่จะไม่ชอบไอ้นี่อันที่สเราไปตรึกเราไปคิดในทางไม่ดีเรียกว่าพยาบาบพิศตกถ้าองค์ประกอบมันครบนะความโกรธมันถึงจะเกิดอย่าเห็นเขาเดินมานั้เป็นคนที่เราเกลียดแท้ๆ เ, เลยเราก็เคยเกลียดมันด้วยนะแต่เราไม่ได้คิดอะไรตอนนั้นเราไม่ได้คิดอะไรคิดเรื่องอื่นอยู่ไม่โกรธหรอก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 เรนะาโทนอนัตตาไว้เราแหละดีแต่ว่าจิตมันเป็นอนัตตาจิตมันไม่ดีเรื่องของมันนะเราดีไว้ก่อน <c oughs> จิตนันมันห้ามไม่ได้อย่างวันนี้ตั้งใจเจะภาวนาสามชั่วโมงพอลงมือนั่งแป๊บเดียวก็ดูนาฬิกาเมื่อไหร่มันจะหมดสามชั่วโมงแลท้ทจี <c oughs> นี่ความเพียนความวิริยะใช่ไหมตั้งใจไว้อย่างนี้นะไม่สาเร็จมันมาคับใจไม่ได้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 เพรเบื่อหน่ายจะคลายกำหนัดคลายความรักใคร่ยึดถือร่างกายนี้เคยหวงแหนที่สุดจิตใจนี้เรารักตัวเองที่สุดนะพอภาวนาเห็นความจริงมันจะคลายความยึดถือในใกายในใจได้ถ้าหมดความยึดถือเราจะสัมผัสพระนิพพานนั่นะ เ, รเรามาต้องมาดูความจริงของกายของใจให้ได้ถ้าไม่ดูความจริงของกายของใจไม่มีโอกาสสัมผัสพระนิพพานเลยต้องเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงนะถึงจะเบื่อหน่ายเพราเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดคือคลายความรักใคร่ยึดถือ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 ตัวที่สองคือสมาธิสติเป็นตัวระลึกได้เมื่อเช้านะก่อนหลวงพ่อเทศะคุณหมอคงสักก็พูดถึงสติว่ามาจากทีละสัญญาการที่จิตจำสภาวะได้แม่นนะถ้าพูดภาษาแขกแบบนี้สำเนาแขกนี้คนไทยรุ่นเราฟังไม่รู้เรื่องนะเอางนะ่ายๆขั้นแรกเลยเราหาอารมณ์กรรมฐานมาสักอย่างหนึ่ง ใครจะอยู่กับพุทโธก็อยู่กับพุทโธไปใครอยู่กับลมหายใจก็อยู่กับลมหายใจไปค่อยๆฝึกก่อนแล้วต่อไปถ้าอย่างเราพุทโธพุทโธพุทโธอยู่นะแล้วจิตเราหนีไปจิตมันหนีไปปุ๊บเรารู้ทันหนีไปคิดส่วนใหญ่หรือรู้ลมหายใจอยู่จิตไหลแวบแปเรารู้ทันนะตรงที่เรารู้ทันเนี่มันจะได้สมาธิขึ้นมาจิตมันชอบไหลออกไปทันทีที่เรารู้ทันว่ามันไหลนะเราจะได้สมาธิขึ้นมา นี่ถ้าเรารู้ทันบ่อย ๆ, อยๆเห็นจิตไหลบ่อยๆนะจิตมันจําสภาวะของการเคลื่อนไปได้แม่นยําตัวที่มันทุกทีที่เคลื่อนน้ำจะรู้สึกตัวอย่างรวดเร็วเลยตรงที่มันรู้สึกตัวได้รวดเร็วนี้เรียกว่ามีสตินะเพราะฉะนั้นถ้าเราเล่นทางลัดนะได้ทั้งสติได้ทั้งสมาธิเลยนะหารมธรรมฐานนั่นหนึ่งมาเป็นเครื่องอยู่ของจิตคนไหนเคยพุโทโธก็บริกรรมพุโทโธไปคนไหนเคยรู้ลมหายใจก็รู้ลมหายใจไปคนไหนเคยดูท้องฟองยุบก็ดูไป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 จิตนี้ไปรู้ทนันจิตไหลไปอยู่ที่ท้องฟองยุบรู้ทนันการที่รู้ทันจิตที่เคลื่อนไปบ่อยๆนะต่อไปจิตมันจะจําอาการที่จิตเคลื่อนได้พอจิตเคลื่อนเรารู้ทนันจิตเคลื่อนรู้ทนันนะต่อไปพอจิตเคลื่อนปั๊บเนี่ยสติจะเกิดเองมันจะรู้ขึ้นมาทันทีแล้วว่าเฮ้ยเคลื่อนไปแล้วนะสติจะเกิดอัตโนมัติขึ้นมาแล้วตรงที่รู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปเนี่ยจะได้สมาธิขึ้นมาโดยอัตโนมัติด้วยเพราะสมาธิคือความฟุ้งมันตรงข้ามกับความฟุ้งซ่านของจิตนะ จิตไหลไปเรารู้ปุ๊บเราจะตั้งสมาธิก็ตั้งขึ้นมาแต่สมาธิชนิดนี้เป็นสมาธิที่อจจัศจรรย์ที่สุดนะเป็นสมาธิที่ไม่เหมือนการทําสมถะกรรมฐานสมถะกรรมฐานเนี่ยเช่นเราพุโทโธเราหายใจในจิตเลยวิตเกาะนิ่งอยู่กับลมหายใจนะเป็จับอยู่ที่ตัวอารมณ์ส่วนสมาธิชนิดนี้เนี่ยเป็นความตั้งมั่นของจิตดังนั้นสมาธิมีสองแบบใหญ่ๆสมาธิแบบที่หนึ่งจิตไหลไปรวมอยู่ในอารมณ์มันเดียวอย่างต่อเนื่อง อันนี้จะได้ความสุขได้ความสงบสมาธิชนิดที่2คือจิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นคนดูนะเป็นคนดูจิตถอนตัวออกจากโลกของความคิดมาอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวบางทีหลวงพ่อเรียกว่าจิตตื่นนะใครเคยฟังซีดีได้ยินคําว่าจิตตื่นใช่ไหมจิตตั้งมั่นอันเดียวกันทั้งหมดเลยนะจิตตั้งมั่นจิตรู้เนื้อรู้ตัวนะรู้ตัวเป็นแล้วอะไรเนี้ยที่หลวงพ่อใช้คํำหลายอย่าง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 ฉะนั้นคนส่วนใหญ่เนี่ยที่ว่าทำวิปัสสนาวิปัสสนานะไม่ได้ทำจริงหรอกนะอย่างไปดูท้องพองยุบจิตไปนิ่งอยู่ที่ท้องอันนี้สมถตาแท้ๆเลยไปเดินโจงกรมยกเท้ายัาง่งเท้าจิตไหลไปอยู่ที่เท้าอันนี้สมถตากรรมาฐานไม่ใช่วิปัสสนาเลยนะจิตไม่ได้ตั้งมั่นแต่จิตไหลไปแล้วฉนะนั้นถ้าเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปจิตที่เคลื่อนไปนะจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมายกตัวอย่างเลยให้ดูอะไรดี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 เราลืมตัวเราเองแล้วเราเห็นแต่ผ้านะั้นเห็นแต่รอยพระบาทแต่เราลืมตัวเราเองเนี่ยจิตที่มันส่งออกไปนะจิตที่มันส่งออกไปจิตที่มันเคลื่อนไปจิตที่มันฟุ้งไปมันลืมตัวเองมันไม่ตั้งมัน่นงั้นเมื่อไรจิตไม่ตั้งมัน่นเราจะลืมกายลืมใจลืมตัวเองแล้วเวลาที่เราเมอรู้จักเมาไหมภาษาฝรั่งเรียกอะไรไเรียกอะไรดีะนะเออสง พ, ไ, งพไม่รู้จกักหรอก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 ตอนนั้นไปไปที่วัดกรรมาฐานแห่งหนึ่งนะครูบาอาจารย์ท่านดีเลิศเลยวัดธินมักเป้งที่วัดธินมักเป้งเนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยคนจะไปภาวนาในโบสถ์เ ย, เยอะมากเลยนั่งสมาธิในโบสถ์นะถ้าโบสถ์ไม่พอนั่งแล้วมานั่งกันรอบๆบโบสถ์อีกที่เดินจงกลมก็เยอะมากเลย พอตกขํขาหลวงพ่อเขไปกับเขาบ้างเขาไปเราก็ต้องไปสิถึงไหมเดี๋ยวเขว่าเราเป็นนอนอยู่ในกุฏิความจริ ง, รงเราภาวนานในกุฏิเราหันะไปที่โบสถ์ไปดูเอ๊มีแต่คนนั่งสมาธิสมาธิมีสองพวกหนึงนั่งเคร่งเครียดนั่งเคร่งเครียดนะอีกพวกหนะึนะ่งนะันะ่งสงบ พวกเดินจงกรมก็แบบเดียวกันคล้ายๆกันนะพวกหนึ่งเดินเคร่งเครียดอยูนะเครียดจะตายส่วนอีกพวกหนึ่งเดินนะใจใจหนีไปที่อื่นเลยลืมกายลืมใจในใจมันก็นินทาเขานะเนี่ยความร้ายนะเนี่เป็นกิเลสชื่อว่ามานะเทียบเขาเทียบเราดูแล้วเฮ้ยภาวนาไม่เป็นเลยวะที่นี่ไม่มีใครภาวนาเลยมีแต่นั่งไม่เพ่งก็เผลอ ในใจเขาหนนทาเขาอย่างนี้นะที่นี่ไม่มีใครหอนหนาทาั้งท้งที่เขาก็นั่งสมาธิเดินจงกรมกันนะหลายชั่วโมงนะใจเขาไปว่าเขาไม่ได้ภาว น, นาแต่ตอนเช้าเนี่ยตามคุณป้าคนหนึ่งเอาดอกไม้เอาของกิดเล็กๆน้อยๆ น, นะพวกลังน ก, กอะไรถวายห ล, งลวงปู่ท่านชรามากนะแล้วเราก็ตามเขาไปด้วย เขาอกเขาถวายดอกไม้ถวายอะไรนะหลวงปู่ก็หันมายิ้มหลวงปู่เทศจะยิ้มตลอดเลยน่ารักมากท่นานก็หันมายิ้มกับหลวงพ่อนะบว่าวัดนี้เขาไม่ภาวนากันแล้วแหละเราเออ <c oughs> เจอดีเขาแล้วห <c oughs> ัวไป ด, ดูคนอื่นนะ <c oughs> ไปดูตัวเองไ <c> ป <oughs> เทียบเขาเทียบเรา <c oughs> ะกิเลสตัวเองท่วมหัวนะไม่เห็นนะเอาไปดูว่าเขาภาวนาไม่เปอี่ยน เนืครูวาจารแต่ก่อนนะเวลาสอนเนี่ยนะสอนนิ่มๆ น, นะเรียกเชือดนิ่มๆจำชั่วชีวิตเลยนะเนี่ยส่วนใหญ่นะคนไม่ได้ทำสมาธิที่ถูกต้องถ้าไปทำสมาธิถ้าไม่เผลอเลื่อนลอยพุ่งซ่านไปนะก็ไปเคร่งเครียดอยู่จิตไปเคร่งเครียดอยู่ถ้าทำสมถะไม่เผลอไม่เครียดเลยนะจิตรวมไปสบายๆก็ไม่เดินปัญญาเพราะฉะนั้นต้องทำสมาธิที่ถูกต้องคือจิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้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 เดินปัญญาเลยสักนิดเดียววิธีเดินปัญญาก็คือเราใช้จิตที่ตั้งมั่นรู้สึกตัวอยู่นี่กสติเป็นเครื่องมืออะไรเกิดขึ้นในร่างกายมีสติระลึกรู้รู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นเช่นร่างกายหายใจออกเราเห็นร่างกายมันหายใจจิตเราตั้งมั่นเป็นแค่คนดูเราจะรู้สึกทันทีว่าร่างกายที่หายใจอยู่นี่ไม่ใช่ตัวเรามันเราจะเห็นร่างกายหายใจเหมือนเห็นคนอื่นหายใจมันไม่ใช่ตัวเราหรอก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 เนะนี่ยการที่จะเห็นไตรลักษณ์ได้ไม่ใช่เรื่องที่คิดเอานะถ้าคิดเอาไม่ใช่วิปัสนาวิปัสนาแปลว่าการเห็นตามความเป็นจริงนะปัสตนาคือการเห็นไม่ใช่วิตกวิตกคือการตรึกการคิดนะงั้นหลายคนไปเข้าใจผิดอย่างคิดพิจารณาร่างกายเป็นตติกรูณสุภาอะไรนี้ไม่ใช่วิปัสนาแน่นอนเลยนะเพราะว่ายังเป็นการคิดอยู่วิปัสนานั้นเลยการคิดไปแล้วเป็นการรู้เป็นการเห็นตามความเป็นจริงนะ ง, งั้นอ่าถ้าเราใจเราตั้งมั่นอยู่เนี่ยมีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นในร่างกายเชน i, ร่างกายหายใจสติระลึกรู้ทันความเคลื่อนไหวนั้นจิตตั้งมั่นเป็นคนดูจะเห็นว่าร่างกายที่หายใจอยู่ไม่ใช่ตัวเรานะถ้าร่างกายยืเนเดินนั่งนอนอยู่สติระลึกรู้การเปลี่ยนอิทิยาบทไปจิตตั้งมั่นเป็นคนดูก็จะเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราจิตที่เป็นคนดูก็ไ<ต>ม่ใชนะ่ตัวเราอย่างนี้ถือจะเรียกว่าเราจเจริญวิปัสสนาจริงๆเจริญปัญญาจริงๆ มันจะถอนความเห็นผิดวิปัสนาญทาหน้าที่ถอดถอนความเห็นผิดความเห็นผิดอันแรกเลยก็คือเห็นว่ากายเป็นเราจิตใจนี้เป็นตัวเราน่หัดมาดูจิตใจบ้างเราจะเห็นว่าจิตใจเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายสติความสุขเกิดขึ้นสติระลึกรู้ตอนนี้มีความสุขจิตตั้งมั่นเป็นคนดูก็จะเห็นว่าความสุขกับจิตนั้นเป็นคนละอันกัน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 มีกุศลมีโรคโกรดหลงเกิดขึ้นนะมันจะเป็นการดูแบบตามหลังกันติดๆเช่นความโกรธมาแล้ ว, ลวลความโกรธมาเนี่ยสติระลึกปั๊บความโกรธหายไปแล้วนะจิตเราตั้งมั่นขึ้นมามันจะรู้เลยว่าจิตตะกี้โกรธแต่จิตตอนนี้ไม่โกรธแล้วนะจะเห็นอย่างนี้นะงั้นบางคนบอกดูไม่ทันสักทีจิตมีความโกรธดูไม่ทันสักทีมันหายไปก่อดก็ถูกแล้วที่ต้องหายถ้ามันไม่หายสติไม่เกิดนะ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 เห็นกูสนเกิดขึ้นมันพอใจเห็นอากูสนเกิดขึ้นไม่พอใจให้เรารู้ทันจิตที่พอใจไม่พอใจอีกชั้นหนึ่งนะแต่ว่าอย่าจงใจนะเช่นตามองเห็นคนนี้เดินมาแล้วเกลียดมันรีบมาดูิพอใจหรือไม่พอใจนะไอ้ <c oughs> อย่างนี้ไม่ได้นะไม่ได้กินหรอกนะพอย้อนจงใจมาดูนะมันหายไปหมดแล้วไม่มีอะไรให้ดูนะมันไวมากนะ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 พอบ้างๆจิตก็พอใจมีความสุขทั้งวันนะโอฬาร่าไปเรื่อยนะไ ม, ไม่ได้กินหรอกไม่มีใจรักให้ดูแล้วงั้นเวลาจะดูจิตอย่ยไปดักดูดูกายเนี่อรู้สึกไปได้เลยรู้สึกได้ทันทีเลยแต่ดูจิตเนี่ยให้ความรู้สึกเกิดแล้วค่อยรู้เอานะก็จะเห็นความรู้สึกก็ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งแต่จิตต้องตั้งมั่นนะพอไหวไหมถ้าไม่เคยฟังหลวงพ่อมาก่อนนะมันจำไม่หมดหรอก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 เห็นกว่าจิตที่โกรธบ่อยๆนะพอจิตโกรธปั๊บสติจะระลึกเองเลยความโกรธประเด็นหายไปเลยเนี่ยหลักของมันง่ายๆนะไม่ยากหรอกฝึกไปนะเจ็ดวันเจ็ดเดือน